สามารถรู้จักกิจที่ทำคำที่พูดแมขณะที่เป็นปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรานั่งสร้างจังหวะอยู่เรืรองตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราใจลอยหรือตื่นรู้เราง่วงเหงาเผลนอนหรือว่าอ่ากระเปกระเป๋านี่อันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันเรียกว่ารูปนามนะ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 พร า, าตกไปสู่จิตเอามารูเปลี่ยนเสมือนว่าสเก็ไฟถ้าสเกตไฟมันมาตกใส่ที่ชุ่มที่เย็นไฟมันก็ดับตกใส่น้าก็ดับถ้าสเก็ไฟไปตกใส่ที่กองขยะใบไม้แห้งมันก็ลุกต่อถ้าเราไม่ทันน่ะไม่ทันเห็นน่ะไฟก็ไหม้ไปเรื่อยๆทีนี้จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างไปสู่ใหญ่ๆขึ้นไป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 โทสะโลภะโมหะบางทีก็โทสะโมหะโลภะเนะี่ยังนั้นคือเอาตัวเด่นๆ เ, เนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกเลยนะเอาตัวเด่นๆขึ้นเพราะมันเห็นทุกข์ได้ชัดอ่ะก็เอาขึ้นมาก่อนเลยเพราะในทุกข์นั้นมีอ น, นิจจังอยู่ด้วยมีอนัตตาอยู่ในนั้นด้วยในโทสะมันก็มีราคะอยู่ในนั้น้วยมีโมหะอยู่ในนั้นด้วยมันชัด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 เราก็อยากดูเมือนกันดูกายดูใจซึ่งเป็นสนามเป็นสถานที่แสดงละครของนิจังทุกครั้งหน้าตาดูแล้วมันสนุกต้องได้เลือกเวลาดูต้องได้เลือกเวลาไหมว่าเออหนังจะฉายจะเข้าโรงวันนั้นมันต้องได้เลือกไหมไม่ได้เลือกเพราะมันแสดงตลอดเวลาได้ตื่นนอนไปจนหลับเลยมันแสดงเราจะดูเราไม่ดูเท่านั้นเองใช่ไหมตลอดเวลาทีเดียวนะ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 ความปฏิฆะขุนมัวหรือความมืดบอดต้วราค่าโทสะโมหะ ห, หรือจะเอาอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเราก็ไปตกไปสู่ความพอยใจไม่พอใจความไข้ความกระหายอยากความหุดหิดขุนมัวความาหลงลเลริงเพล่ดเพลินในสิ่งต่างๆชีวิตของเราเคยเป็นมาอย่างนั้นใช่หมดังนั้นเองในหลัก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 ความรู้และความหลงที่เกิดกับจิตรู้อย่างนี้นะที่ต่อไปท่านเช่นเช้าท่านเทไอท่านสวดลวดไปถึงว่าเรื่องจิตด้วยนะราคะสาราคังวาจิตตังสราคังจิตตันติประชานาติวีตาราคังวาจิตตังวีตาราคังจิตตันติประชานาติเมื่อราคะเกิดให้รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเคยมีเมื่อจิตรู้สึกชอบ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 สักพักหนึ่งเอาแมงมาเก่อหัวเป็นทุกข์เอามือไปเกาหัวละแต่รู้ตัวเมื่อเอามือไปเกาหัวอ่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมีแต่ยกมือแต่ว่าเวลาแมงมาเก่อหัวมือไปเลยจะเดือดร้อนวัดแทนที่จะเออพอยุงมาเกาหัวโยเซมอยค่อยๆเลื่อนมันไปโอ้ไม่ทันได้หนะก็ขึ้นรู้ตัวแบบไวๆก็ได้ไม่ได้รู้ๆแบบช้าๆก็ได้ช้าไม่ทันยุงใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมั rica rica rica นรุกรานเราตลอดเวลาเห็น nice ไหมทําให้เราต้องดิ้นเน่ะ ดิ่นไปดิ่นมาดิ่นโน้นดิ่นนี้ดิ่นตลอดเวลาเรียกว่าอ น, นิจจังมันเปลี่ยนแปลงเพราะทุกขังอ น, นิจจังทุกขังก็ทํางานเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันพราะมีอนิจจังจี่เกิดทุกขังพ่อมีทุกขังที่เกิดอนิจจังพ่อมีทุกขังอ น, นิจจังมันจึงเกิดนั้นนาตาก็เห็นลักษณะอย่างเนี้ยแทนที่จะเห็นว่าเราทุกเราสบายเราไม่สบายก็เห็นอนิจจังทุกขัง ท, งทาง An ํางานในรูปในนามอันนี้เราเป็นผู้ดูละครอย่างที่กล่าวมาแล้ว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 การสื่อสารเขาตารมาไม่ได้เรื่องเองนะก็ไม่ได้าหนิยว่าเป็นคนมีสติปัญญาเพราไม่ใช่นะแต่ธรรมาสื่อสารไม่ได้เรื่องทำความเข้าใจไม่ถูกยมถึงฟังไม่เข้าใจใช่ถ้าครูที่ดีต้องสอนรู้เรื่องนะฮะแต่นักเรียนที่ดีก็ตั้งใจฟังอย่างรู้เรื่องก็เข้าใจเหมือนกันใช่ไดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กายใจนี้